หัวข้อเหลือใจที่ถูกไว้ดวงหนึ่งคำโปรยในวันที่ทุกสิ่งดูผิดพลาดไปหมดขอเพียงเหลือใจที่ถูกต้องไว้ดวงเดียวใจดวงนั้นจะพาทุกอย่างกลับเข้าที่เข้าทางไปเอง มีอยู่จริงครับช่วงที่ชีวิตเหมือนหล่นร่วงดำดิ่งลงสู่ที่ต่ำทุกอย่างฉุดกระชากากถูกันลงเหวไม่มีแรงลากขึ้นสูงเลยอย่างเช่นการตัดสินใจที่เคยถูกมาตลอดก็กลายเป็นผิดพลาดไปทั้งหมดหรือหนักกว่านั้นคือบุคคลรอบตัวแทนที่จะยื่นมือมาช่วยก็เหมือนกระนำซ้ำเติม จนคุณรู้สึกเหมือนเละไม่มีชิ้นดีโดยพวกเขาอาจจงใจหรือบางคนก็รู้เท่าไม่ถึงการแต่สรุปคือทั้งคนทั้งเหตุการ์คล้ายรวมหัวเล่นงานคุณแบบไม่ยอมให้พักหายเหนื่อยในห้วงเวลาแห่งความงงงันเหมือนโลกทั้งใบผิดหมดและไม่เหลือทางเดินที่ถูกไว้ให้เดินเลย คุณจะไปหาความถูกต้องมาจากไหนได้เมื่อตกไปอยู่ในห้องมืดโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวโอกาสเดียวที่คุณจะได้แสงสว่างมาคือคุณต้องพกไฟฉายติดตัวไว้ก่อนไม่ใช่ไปงมหาเอาจากห้องมืดที่ทุกอย่างวางผิดที่ผิดทางไปหมดแสงสว่างที่ว่าเนี่ยก็คือธรรมะซึ่งคุณศรัทธาแน่แล้ว บอกกับตัวเองไว้เป็นมั่นเหมาะแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณจะยังคงรักษาไว้กับตัวไปจนตายธรรมะแท้ๆหาใช่ความรู้ในกระดาษหรือความจำในสมองไม่แต่เป็นหนทางเดินที่ถูกเป็นกรรมที่คุณจะถือปฏิบัติเสมอไม่ว่าต้องตกไปอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายได้เปรียบ หรือเสียเปรียบขนาดไหนธรรมะอันเป็นประสบการณ์ภายในคือความรู้สึกทางใจที่ใสสว่างความรู้สึกว่าใช่ความรู้สึกปลอดโปร่งสบายใจความรู้สึกเต็มตื่นอยู่ด้วยสติไม่พลัดหลงเข้าสู่ถ้าแห่งความโง่อันมืดทึบหมายความว่า ถ้าเหตุการณ์เลวร้ายลงถึงที่สุดและคุณยังมีธรรมะก็จะไม่รู้สึกมืดมนหรือถึงมืดมนลงบ้างก็เหมือนไขแสงเองได้ในไม่ช้าแม้เมื่อเศร้าได้ธรรมะในใจก็จะส่องให้เห็นว่าเดี๋ยวก็คลายเศร้าได้เมื่อโกรธได้ธรรมะในใจก็จะส่องให้เห็นว่า เดี๋ยวก็หายโกรธได้ธรรมะที่แท้มีหน้าที่ฉายความจริงให้รู้ว่ามืดได้ก็สว่างได้ตกได้ก็ขึ้นได้แม้ในความรู้สึกเหมือนไม่เหลืออะไรเลยธรรมะก็อยู่เป็นเพื่อนและบอกกับคุณว่าคุณยังมีสิทธิ์เหลือจิต ท, ที่ประกอบด้วยสติ คุณจะพบว่าสติเป็นของสูงในชีวิตตราบใดยังไม่ขาดสติตราบนั้นยังไม่ใช่เวลาตกต่ำจริงๆจังจังแต่อย่างใดคนยังมีสติยังประคองตัวเองไม่ให้ตกต่ำถึงที่สุดจะไม่ทำผิดไม่พูดพลาดและไม่คิดประชดชีวิตให้ชีวิตร่วงหล่นถลําลึกลงไปกว่านั้นอีก เมื่อธรรมะช่วยประคองไม่ให้ทำผิดคิดพลาดได้ไม่ช้าไม่นานต่อมาคุณจะพบว่าตัวเองค่อยๆ อ, อยู่ท่ามกลางทางออกของปัญหาซึ่งแต่เดิมอาจมองไม่เห็นเลยสักทางเดียวเพราะจิตมัวแต่หม่นมืดด้วยเมฆหมอกแห่งความโง่เขลาต่อเมื่อความโง่เขลาถูกชำรกแทรกแทนด้วยแสงกุศล อะไรอะไรรอบตัวจึงปรากฏ ต, ตามสภาพแท้จริงของมันอย่างชัดเจนคืออาจไม่มีอะไรแย่เท่าที่คิดมีแต่ความคิดว่าแย่เกินจะรับชีวิตจะแย่จริงๆก็ต่อเมื่อคุณยอมเลื่อนไหลตามความคิดเร็วๆไม่ว่าความคิดเร็วๆนั้นจะผุดจากภายในหรือโดนกระทบจากภายนอก ต้องเห็นใจที่ชีวิตบางคนเจอแต่อะไรแย่ๆเกิดมายากจนพ่อแม่แตกแยกหรือกระทั่งไม่มีคนดูแลไม่มีใครสนใจว่าจะเป็นตายร้ายดีอยู่ที่ไหนจึงโตขึ้นมาแบบไม่ทราบว่าจะยึดสิ่งใดเป็นสรณะดีคนที่ชีวิตเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข จะรู้สึกถึงความอึดอัดที่ค้างแน่นอยู่ในอกความอึดอัดนั้นกดดันให้อยากหาทางระบายออกและวิธีพยายามระบายออกของคนส่วนใหญ่ก็คือการหาแพรับบาปส่วนลึกหวังจะลากคนผิดสักคนมาลงโทษโดยข้อหาที่ว่าทำชีวิตฉันให้มีอันต้องทุกข์ทรมานปานนั้น แรัรบบาปหลักๆจะหนีไม่พ้นพ่อและแม่ที่ทำให้เกิดมาแต่เลี้ยงแบบทิ้งๆิ้งคว่างคว่างหรือหนักกว่านั้นคือหายหน้าไปไหนก็ไม่ทราบไม่เคยได้เจอกันเลยตั้งแต่เกิดถัดจากพ่อแม่ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนไม่ดีหรือไม่ก็เพื่อนพ้องน้องพี่คนรักคนใครที่ไม่เอาใจใส่กัน โลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการปั่นกระแสเรียกร้องนี้ยังมีใครต่อใครอีกมากมายให้หมายหัวเช่นนักการเมืองที่เสนอตัวเข้ามาช่วยชาติแต่เอาเข้าจริงกลับมาปล้นแผ่นดินหรืออย่างดารานักร้องตลอดจนคนดังทั้งหลายที่เป็นบุคคลสาธารณะสมควรทําตนเป็นแบบอย่างแต่กลับประพฤติตนเป็นหลุมดํา ดึงดูดแสงแห่งความดีของปวงชนสร้างคลื่นยักษ์ซัดพาคนจำนวนมากให้ไหลไปสู่หุบเหวนรกแนวคิดในการจัดการกับบรรดาแพะรับบาปคือปล่อยไว้ไม่ได้ต้องด่าเมื่อรู้จักและเข้าใจพระพุทธศาสนาเราจะไม่อยากด่าใครไม่อยากหาแพะมาบูชายัน ในเมื่อความจริงถูกเปิดเผยโดยพระพุทธเจ้าแล้วว่าที่แต่ละคนอยู่สบายหรือเดือดเนื้อร้อนใจได้ดีหรือตกยากมีชีวิตที่หยาบหรือประนีตก็เป็นไปตามกรรมที่ทำมาทั้งสิน้นจะเป็นกรรมเก่าในชาติก่อนหรือเป็นกรรมใหม่ในชาตินี้ก็ตามคนอื่นๆทั่วทั้งโลกเป็นเพียงเครื่องกระทบ ให้เราสะดุ้งสะเทือนหรือไม่ก็เป็นแรงกดดันให้เราทนไม่ไหวต้องลุกขึ้นก่อกรรมโตตอบโลกกันโลกมีพลังสะเทือนให้เรารู้สึกอยากร้ายหรืออยากดีส่วนการตัดสินใจว่าจะดีหรือร้ายนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราว่าอยากยืนอยู่ข้างไหนฝ่ายธรรมะ หรือฝ่ายอธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมคือเจตนาเจตนาคือกรรมการตัดสินใจดีร้ายนั่นเองคือกรรมที่เราทำไว้เป็นเงาตามตัวสืบไปคนส่วนใหญ่โดยมากจะทำตามสัญชาตญาณ ใครมาดีก็ดีตอบใครมาร้ายก็ร้ายคืนกรรมของคนส่วนใหญ่จึงเป็นกรรมตามใบสั่งของกิเลสไม่ใช่กรรมอันเกิดจากธรรมะบรนดานใจขอให้ดูจากยุคอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่คนในโลกมีโอกาสระบายความอึดอัดอย่างเสรีพอพบกระทู้ที่ยกเอานักการเมือง หรือคนดังขึ้นมาเป็นเป้าล่อก็จะรีบเข้าไปประบายของเสียกันด้วยคําด่ายกใหญ่ราวกับใครคนนั้นเป็นผู้ทําให้ชีวิตข้าพเจ้าพังพินาศมาก่อนพอได้ทีจึงต้องขอเอาคืนบ้างเรื่องของเรื่องถ้ามีใครพลาดไปมีภาพเสียหายหรือถูกสื่อมวลชนวาดภาพเป็นพญามาร ภาพนั้นจะไปกระตุ้นต่อมอยากเห็นแพะโดนประชารนขึ้นมาซึ่งถ้ามีการร่วมกระทึบดาทอสาเสียเทเสียกันอย่างคึกคักก็จะรู้สึกคลื้นเครงสมใจสะใจเหมือนได้แก้แค้นทั้งที่ไม่เคยรู้จักหรือทำความเจ็บใจให้แก่กันมาก่อนเลยในชาตินี้ สังคมยุคด่ากันง่ายๆได้โดยอิสระของพวกเรานับว่าน่ากลัวเพราะเป็นยุคที่ไม่ชวนให้มีแก่ใจหรืออะไรที่ถูกต้องไว้เป็นสมบัติประจำตัวเลยสักอย่างเดิมทีชีวิตแย่อยู่แล้วก็ยิ่งไปก่อ ก, กรรมแย่ๆซ้ำเติมให้ตนเองเข้าไปอีกยุคที่คนได้ยินเสียงกลด่ามากกว่าเสียงชมเชย ยุคที่คนอารมณ์เสียมีปริมาณมากกว่าคนอารมณ์ดียุคที่ความอายุติธรรมมีอำนาจเหนือความยุติธรรมบีบให้เรารู้สึกว่าโลกทั้งใบผิดหมดนี้ถ้าเพียงเผลอปล่อยจิตปล่อยใจแบบเลยตามเลยเราจะก่อกรรมผิดๆตามเขาและจบชีวิตไปกับความรู้สึกผิดพลาดไม่อาจสบายใจได้ว่า มีทิศทางที่ถูกที่ชอบให้ตัวเองก้าวไปหาบอกตัวเองว่าเพื่อจะเอาจิตที่ถูกไปตายและเอาจิตที่ไม่ผิดไปเกิดใหม่ก็ต้องเลือกเก่อกรรมที่ถูกที่ทำให้สบายใจไว้ตั้งแต่ยังมีชีวิตไม่มีใครสร้างความสบายใจกันขึ้นมาได้ด้วยความปรารถนาก่อนตาย ในโลกที่ผิดให้เหลือจิตที่ถูกไว้ดวงหนึ่งคุณอาจต้องอยู่อย่างลำบากเป็นบางครั้งแต่เชื่อมั่นว่าจะเป็นหนึ่งในผู้ไปสบายในทุกกรณี